วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันพระวันธรรมสวระวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่งเพราะ จะมีการกระทำที่เป็นมงคลนั่นเองคำว่ามงคล น, นี้ก็แปลว่าความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจนี้สามารถเจริญหรือเสื่อมได้ขึ้นอยู่กับการกระทำที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล ถ้าการกระทําไม่เป็นมงคลจิตใจก็จะเสื่อมลงจากสถานภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถ้ามีการกระทําที่เป็นมงคลจิตใจก็จะสูงขึ้นจเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนกับ ลิฟต์ในอาคารสามารถขึ้นข้างบนก็ได้ลงข้างล่างก็ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้ลิฟต์จะกดหมายเลขไหนหมายเลขสูงก็ขึ้นชั้นสูงหมายเลขต่ำก็ลงสู่ชั้นต่ำการกระทำที่เป็นมงคลจะเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ไปตามลาดับเช่นขณะ น, นี้จิตใจของท่านทั้งหลายเรียกว่าอยู่ในระดับของมนุษย์ <c oughs> จากระดับของมนุษย์ถ้าจะขึ้นสูงก็มีที่สูงกว่านี้หรือจะลงจากมนุษย์ก็มีที่ต่ากว่านี้จะขึ้นสูงหรือลงต่า ก็อยู่การกระทําที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลในวันพระนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พุทธบริษัทได้กระทําสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและมีความสุขมากขึ้นจากระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ ระดับของเทวดาจากระดับของเทวดาก็ขึ้นไปสู่ระดับพรหมแล้วจากระดับพรหมก็ขึ้นสู่ระดับอริยบุคคลจนถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานอันนี้ละคือ <c oughs> จุดที่จิตใจสามารถที่จะ ยกระดับขึ้นไปได้ไปถึงจุดที่เป็นมงคลที่สูงสุดคือพระนิพพานเป็นจุดที่เต็มเปลี่ยนไปได้ไปด้วยความสุขตลอดเวลาและเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดสิ่งที่หมดไปก็คือความทุกข์ต่างๆที่ พวกเรากาลังประสบกันอยู่ในขณะนี้ขณะนี้จิตใจของเรายังไม่พ้นจากความทุกข์ยังต้องเจอกับความทุกข์จากเรื่องราวต่างๆมากมายกายกองถ้าเราไม่ยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปถึงระดับพระนิพพานแล้วจิตใจของเราก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์ไป และไม่ใช่เจอแต่เพราะพบนี้ชาตินี้เท่านั้นหลังจากที่ตายไปก็จะต้องไปเจอในในพบต่อไปและหลังจากที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะกลับมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธบริษัทนี้หมั่นเจริญมงคลทั้งส8บข้อด้วยกันด้วยการเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งที่สองที่สาข้อที่หนึ่งก็คือการไม่คบหรือไม่เข้าหาคนพาลหรือคนง่ คนไม่ฉลาดให้เข้าหาหรือให้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตคือคนฉลาดให้บูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาอันนี้เป็นมงคลข้อสามข้อแรกเป็นเหมือนขั้นเริ่มต้นเราจะต้องรู้จักคบคน เพราะคนที่เราครบนี้มีทั้งคนฉลาดและมีทั้งคนไม่ฉลาดถ้าคบกับคนไม่ฉลาดเขาก็จะพาให้เราไม่ฉลาดถ้าเราครบกับคนฉลาดเขาก็จะพาให้เราฉลาดความฉลาดหรือความไม่ฉลาดนี้จะเป็นเหมือนกับ ผู้นำชีวิตของพวกเราถ้าเรามีคนไม่ฉลาดนำชีวิตของเราเขาก็จะนำเราไปสู่ความเสื่อมความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเรามีผู้นำที่ฉลาดเขาก็จะพาเราให้ไปหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร คนที่ฉลาดคนที่เป็นบัณฑิตหรือเป็นนักปราชญ์นี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองไม่มีใครที่จะฉลาดเท่ากับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นบุคคลที่สามารถเอา ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้ออกไปจากใจได้หมด mm hmm. กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เคยอยู่ในจิตใจสร้างความวุ่นวายสร้างความเครียด mm hmm. สร้างความเศรา้าโศกเสียใจต่างๆ mm hmm. ให้ออกไปจากใจ mm hmm. ไม่ให้มีหลงเหลืออยู่ในใจ mm hmm. ไม่มีใคร ที่จะสามารถทำความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้ถึงแม้ว่าถ้าจะเป็นนักปราชญ์ทางโลกที่เรียนจบระดับปริญญาเอกหรือเป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถในการหาทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองเป็นมหาเศรษฐี หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นผู้นำของประเทศบุคคลเหล่านี้ทางโลกอาจจะยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแต่ทางธรรมจะยังถือว่าเป็นคนโง่ยอยู่เพราะพวกเาพวกเขาเหล่านี้ ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเขาได้ใจของเขายังต้องทุกข์กับเรื่องการสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เขามีไปหรือทุกข์กับความสูญเสียตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักด์ที่เขามีไป สูญเสียกับการได้รับการสรรเสริญยกย่องสูญเสียสิ่งที่เขาได้สัมผัสทางตาหูจมูกนิ้วกายไปเวลาการสูญการสูญเสียสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ใจของเขาก็ยังต้องทุกกันอยู่ และเมื่อมาถึงร่างกายของเขาเองเวลาที่ร่างกายเขาแก่เวลาร่างกายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายเขาจะตายเขาก็ยังต้องมีความทุกข์ทรมานใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้เก่งกายขนาดไหนก็ตาม มีความรู้ความสามารถทางโลกมากน้อยเพียงไรก็ตามความรู้ความสามารถของเขาเหล่านี้ยังไม่สามารถนำมาไปกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเขาให้หมดสิ้นไปได้แต่คนอย่างพระพุทธเจ้าคนอย่างพระอาหลานตสาวคเป็นบุคคลที่ มีความรู้ความสามารถในการกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจและสร้างความสุขอันแท้จริงอันถาวรให้อยู่คู่กับใจไปตลอดลนี่แหละคือนักปาราชญ์ที่แท้จริงบัณฑิตที่แท้จริงต้องเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์ได้ ถ้ายังอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ถึงแม้จะจบปริญญาเอกมาก็ตามหรือมีความสามารถในการทำให้ตนเองร่ำรวยทำให้ตนเองเป็นใหญ่เป็นโตก็ตามแต่ความรู้ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถ นำมาใช้กับการกาจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของตนให้หมดไปได้ดังนั้นการครบคนเราจรึงต้องเลือกคบคนที่ฉลาดที่แท้จริงคนที่ฉลาดที่แท้จริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราอยากจะหนือ้อยู่เหนือความทุกข์ เราจากจะอยู่ปราศจากความทุกข์ใจเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนี่แหละคือความหมายของการให้คบบัณฑิตไม่ให้ครบคนพานคนพานในทางโลกอาจจะถือว่าเป็นคนฉลาดเช่นคนที่ได้รับกิจลังเวียนรังวันต่างๆเป็นนักธุรกิจดีเด่นเป็นเป็นผู้บริหารดีเด่น มีหลายรางวัลต่างๆที่ทางโลกเขามอบให้แก่กันและกันนั้นไม่มีรางวัลใดที่มีที่มีบอกว่าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ดีเด่นไม่มีมีแต่ดีเด่นทางด้านการหาราบยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายซึ่งความดีเด่นเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้ความทุกข์ ของผู้ที่ได้รับรางวัล น, นี้หายไปไหนหายไปเลยดีไม่ดีกลับจะเสริมสร้างความทุกข์ในใจของเขาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพรเมื่อเขาได้อะไรแล้วเขาก็จะยึดจะติดเขาก็จะรักจะหวงแล้วเมื่อเกิดเวลาที่เขาเกิดการสูญเสียไปเขาก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ จึงไม่ถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบัณฑิตอย่าไปหลงกับรางวีรางวัลต่างๆที่เขามีการมอบให้ในโลกนี้ไม่ว่าจะทางด้านใดก็ตามทางด้านบันเทิงมีรางวัลตุ๊กตาทองชนิดต่างๆหรือทางด้านกีฬามีเหรียญทองชนิดต่างๆมีรางวัลชนิดต่างๆ เป็นเป็นล้านเป็นสิบล้านให้กับนักเรียลที่เก่งกาแต่รางวัลเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใจของเขาหลุดพ้นจากความทุกข์เลยโลกนี้ขาดรางวัลหนึ่งที่เขาไม่แจกกันก็คือผู้พ้นทุกข์ดีเด่นไม่มีการแจกรางวัล น, นี้เพราะไม่มีใครพ้นทุกข์นั่นเอง จึงไม่รู้จะไปแจกใครมีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีการแจกรางวัลดีเด่นแจกโดยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้แจกรางวัลของผู้ที่พ้นทุกข์กันเริ่มตั้งแต่พระอัญญาณโกนธั ญ, ญะหลังจากที่ทรงสแสดงธรรมธรรมจักรกับปวัตนสูตร ซึ่งเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกให้แก่สัตว์โลกซึ่งมีพระปัญญาวาคัคีคือคือศีรือนักบาเพ็ญ น, นักบวชห้ารูปด้วยกันที่เคยเป็นสาวกเคยติดตามศึกษาจากพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตัดส <c oughs> ละลุแต่ก็ มีเหตุที่ทำให้ต้องแยกทางกันไปแต่หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรุพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าผู้ที่จะสามารถรับรางวัลดีเด่นคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ก็คือพระปัญจวัคคีนี้ตอนต้นก็นึกถึงพระอาจารย์สองรูปแต่ก็ได้ทราบข่าวว่าท่านเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นาน ก็เลยนึกถึงพระปัญจวัคคีเพราะเห็นว่าเขามีศักยภาพมีความพร้อมที่จะรับรางวัลดีเด่นจากพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็เลยทรงไปโปรดพระปัญจวัคคีทรงแสดงธรรมจากกับปวัตตนสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องพระอริยสัจสี่และมรรคแปด พอได้แสดงธรรมเสร็จหนึ่งในผู้ฟังคือพระอัญญาณโกนทัญญาก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเน<ม>ี่ยพระพุทธเจา้าทรงตัดว่าอัญญาณโกนทัญญาเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วหนอเธอเห็นแล้วเธอเห็นอญญาาริยสัจสี่แล้วเธอเห็นทุกขสมุทัยนิโรดน่ะเธอมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว เธอสามารถปล่อยวางขันห้างของเธอปล่อยวางร่างกายของเธอได้แล้วมไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายได้แล้ว<ม>สง่งมอบรางวัลให้กับพระอัญญาณโกนทัญญารางวัลดีเด่นคนแรกของโลกที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับที่หนึ่งยังไม่หลุดพ้นทั้งหมดเป็นเพียงระดับขั้นที่หนึ่ง ยังมีขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ที่จะต้องดับให้ได้ mm hmm. หลังจากที่ทรงสแสดงธรรมอีก mm hmm. ก็ทำให้พับปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์ mm hmm. ได้รับรางวัลดีเด่นที่มีความรู้ความสามารถในการกำจัดความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อันนี้แหละเป็นรางวัลที่แท้จริงแล้วก็รางวัลที่ได้รับก็เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมตลอดเวลาเรียกว่าบัลลมงนสุขเป็นความสุขของพระนิพพานของผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ความสุขของผู้ที่ได้รับรางวัลทางโลกนี้ก็สุขตอนที่ไปรับรางวัลนั้น พอกลับบ้านก็บางทีก็ไปเจอเรื่องปวดหัวขึ้นมาความสุขที่ได้จากการไปรับรางวัลก็หายไปเจอกับปัญหาต่างๆที่ยังคอยดูมเล่าจิตใจอยู่เรื่อยๆนี่แหละเปรียบเทียบระหว่างรางวัลเกียรติยศที่แท้จริงและที่ไม่ใช่แท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงไหลคลั่งไคล้กับ รางวัลต่างๆที่เขามีแจกกันในโลกนี้ไม่ได้เป็นรางวัลที่แท้จริงเป็นรางวัลปลอมถ้าเป็นรางวัลที่แท้จริงต้องให้ความสุขที่แท้จริงให้ความสุขที่ถาวรให้ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดถึงจะเรียกว่าเป็นรางวัลที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นรางวัลที่ให้ความสุขชั่วขณะที่ไปรับรางวัลนัน ยิ้มแป้นใส่ถ่ายรูปกันอะไรกันจับมือกันแสดงความยินดีกันพอออกจากสถานที่มาขับรถไปเจออุบัติเหตุตอนนั้นความทุกข์ก็หายไปหมดความสุขที่ได้จากการรับรางวัลก็หายไปหมดความทุกข์ความเครียดก็ปรากฏขึ้นมาทันทีอันนี้คือเรื่องของ ลาบยศสารเสริญสุขที่ในสายตาของคนไม่ฉลาดคือคนภาคนี้จะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตผู้ใดที่มีประสบความสำเร็จในลาบยศสารเสริญสูงนี้ต้องเป็นนักปราชญ์ต้องเป็นคนฉลาดต้องเป็นคนเก่งถึงจะสามารถที่จะได้รับสิ่งต่างๆ จากโลกกตธรรมทั้งสี่นี้ได้เป็นมาเสถียรได้เป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นได้เกียร์รางวัลเกียรติยศต่างๆเหรียญทอง เ, นเนง<ม>หรือญเงินเหรียญทอแดงหรือตุ๊ ก, กตาทองเ<ม>หล่านี้มันเป็น ของปลอมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของจริงมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่พร้อมที่จะถูกความทุกข์เข้ามาลบทันทีเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดก็จะไป แสวงหาราบยศเสรเสริสุขกันแต่คนฉลาดนี้กลับหันหลังให้กับการหาราบยศเสรเสรสุขถ้ามีราบยศเสรเสรสุขก็ฉละไปหมดเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เป็นพระราชกุมารมีความรู้ความสามารถทางโลกมาก เรียนหนังสือนี่เก่งกว่าอาจารย์ที่มาสอนอีกอาจารย์สอนวิชาต่างๆเจ้าชายสิทธัตถะกับรู้มากกว่าที่ครูบาอาจารย์มาสั่งมาสอนท่านทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านก็มีมากมายรางวัลเกียรติยศก็มีคนยกย่องสรรเสริญในความรู้ความสามารถของพของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ แล้วทำไมอยู่ดีวันดีคนนีท่านถึงต้องสละมันไปเพราะท่านเป็นคนฉลาดท่านเห็นว่าของเหล่านี้มันเป็นของชั่วข่าวลาภยศจารเสริญสุขนี้มันเป็นของชั่วข่าวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเมื่อสังขารร่างกายที่เป็นของไม่ที่งก็จะต้องเสื่อมไป เมื่อมันเสื่อมสิ่งต่างๆที่หามาได้มันก็จะหมดความสำคัญไปเพราะเมื่อร่างกายไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดสุขให้เกิดประโยชน์ได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรร่างกายของทุกคนทรงเห็นว่ามันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ลงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุด นักบาสนี่แหละเห็นความเสื่อมของาลาภยศจัเสรินสุขเห็นความเสื่อมของร่างกายที่ร่างแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงหันหลังให้กับโลกธรรมเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความสุขที่เป็นกับดักไว้ล่อให้เข้าหาความทุกข์ คือความจริงมันเป็นความมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพียงแต่มีความสุขบังหน้าเอาไว้หลอกล่อให้คนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ที่แท้จริ ง, ข, งข้างไครหลงไหลอยากจะได้อยากจะมีกันแต่สำหรับคนที่ฉลาดนี่เห็นความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นความสุขผิว ผิวเผินบางๆผิวบางๆที่หุ้มห่อความทุกข์อันยิ่งใหญ่เอาไว้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงหันหลังให้กับโลกกระทำลาบยศเสรเสรสนุกแล้วก็มุ่งเข้าหาความว่างเปล่าที่จะทำให้เกิดสันติสุขขึ้นมาโดยความสงบที่จะทำให้จิตใจนี้ได้พบกับความสุข ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือนักบานนักบานคือคนฉลาดคนที่เห็นทุกข์และเห็นว่าสุขอยู่ที่ตรงไหนเห็นทุกข์อยู่ตรงไหนเห็นทุกข์อยู่ในโลกกระทำเห็นทุกข์อยู่ที่ร่างกายเห็นสุขอยู่ที่การอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่ปราศจากอะไร เห็นสุขอยู่ที่ความว่างนิพพานังปรามังสุย่างความว่างนี่อันนี้แหละเป็นนิพพานคือการอยู่โดยไม่มีอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐะมาให้เศษไม่ต้องมีรูปประจานาลูปประจานมาให้เศษอยู่แบบไม่มีอะไร อันนี้แหละเป็นของที่วิเศษที่สุดกลายเป็นของที่ยากที่สุดที่จะทํากันเพราะว่าในใจของสัารโลกนี้มันหุ้มห่อด้วยความอยากทุกรูปแบบที่คอยหลอกล่อให้ไปหลงไหลให้คิดว่าเป็นการไปหาความสุขกัน แล้วก็ต้องเจอกับความทุกข์หลังจากที่ได้ไปได้ไปเสพหรือได้ไปสัมผัสหรือได้ไปครอบครองพอได้แล้วก็เกิดความทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ได้มามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมสลาย แล้วก็เป็นของที่ไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับไม่ให้มันเสื่อมสลายไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละก็คือเป็นสิ่งที่หลอกล่อจิตใจของสรรโลกให้หลงไหลกับการหาสิ่งต่างๆมาเสร็มาครอบครองเพราะความหลงที่ไปคิดว่าเมื่อได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้ว ่าทำให้จิตใจนั้นมีความสุขกันแล้วเวลาที่เกิดความอยากนี้ถ้าไม่ได้ไปหาสิ่งที่ต้องการที่อยากได้นี่มันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจนทนอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่มีไม่มีเครื่องมือที่จะมาต่อสู้กับความทุกข์ทรมานใจ ในขณะที่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมานักปาดอย่างพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าความทุกข์ใจต่างๆนี้ล้วนเกิดจากความอยากทั้งนั้นการที่จะกําจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากได้นั้นต้องหยุดความอยากให้ได้และวิธีที่จะหยุดความอยากนั้น ก็คือวิธีของการบําเพ็ญมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญานี่ขั้นต้นถ้าเป็นผู้ของเรือนเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเพื่อไปอยู่แบบนักบวชเพราะการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็มันก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่ง พราะถ้าต้องอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันก็จะทําให้ใจทุกข์กังวลเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันก็เป็นของไม่แน่นอนจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้งั้นต้องหัดอยู่แบบที่ไม่ต้องอาศัยเข้าของเงินทองก็ในสมัยนั้นวิธีที่อยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยเข้าของเงินทอง ก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชนักบวชนี่เขาอาศัยการอยู่แบบมากน้อยสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดหาเอาตามกำลังของตนเองอัตตาหิอัตโนโนาเถอาหารก็ไปขอขอกินเรียวกว่า บ, บินทบาทความจริงก็เป็นการไปขอทานดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าไม่ได้เอ่ยปากเท่านั้น การขอทานของนักบวชที่ทรงศีลนี้จะไม่ไปบรบกวนชาวบ้านจะไม่ไปขอนูน่นขอนี่จากคนนั้นจากคนนี้เพียงแต่ไปปรากฏไปปรากฏตัวให้เขารู้ว่าะจะมาขอจะมารับอาหารเพื่ อ, อย่างชีพไปวันวันหนึ่งใครมีศรัทธามีความเมตตาสงสาร อยากจะทำบุญก็ทำไปถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่มีไม่มีข้อเสียหายตดอย่างใดนี่คือการบินทบาทของนักบวชการหาอาหารของนักบวชพึ่งอาศัยแรงลำแข้งของตนเป็นการเลี้ยงชีพไม่ต้องพึ่งเงินทอง ไปหาอาหารในหมู่บ้านในยามเช้าได้อะไรมาก็ยินดีพอใจกับสิ่งที่ได้มาแล้วก็กินกับมันไปตามมีตามเกิดไป <c oughs> สมัยนั้นนักบวชเขาก็อยู่กันได้เขาก็อยู่กับการให้ของผู้อื่นได้ผู้อื่นที่ผู้ที่ให้ก็ได้รับคุณได้รับประโยชน์ได้รับได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น การผู้ผู้ให้นี่แหละเป็นผู้ที่จะเป็นเทวดาการให้ทานนี่เป็นการยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับของเทวดาถ้าไม่มีการให้ไม่มีการไม่มีผู้มารับการให้ mm. ก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ยกระดับใจให้ขึ้นสูงขึ้นดังนั้นการไปบิณฑบาตเขาถึงเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์ ไม่ได้เป็นการไปขอทานเพราะไปโปรดสัตว์คือสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ให้ได้มีโอกาสได้ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงขึ้นไปเพื่อที่จะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มำําดับต่อไปต้องยกระดับขั้นต้นก่อนต้องยกระดับ จากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วถึงจะไปยกระดับจากเทวดาไปเป็นพรหมได้แล้วจากพรหมก็ถึงจะยกระดับไปเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวีนว่ายตายเกิดตามลําดับต่อไปอการการไปขออาหารไปหาอาหารของนักบวชถึงไม่เรียกว่าเป็นเป็นขอทาน แต่เรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์และนักบวชนี้ก็เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนผู้ใดทั้งตนเองและผู้อื่นไม่เสพสุรายามเมาไม่เอาของที่ได้มาเอาไปทําประโยชน์เอาไปทําสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายเอามาเพื่อยังชีพเพียงอย่างเดียว อาหารดินบับนี้หามาเพื่ อ, อยังชีพไปวันวันหนึ่งพอให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงแก่ความตาย <ๆ S 1> เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันนี้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติทําที่จะมาหยุดความอยากที่มีอยู่ภายในใจให้หมดชิ้นไป ถ้าผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญ น, นี้ไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองควรจะไปแบบผู้ที่พร้อมที่จะสู้กับความทุกข์ยากลําลบากพร้อมที่จะอดตายพระอาจารย์บางรูปท่านพูดว่าการจะไปพระนิพพานนี้ต้องไปเจอต้องต้องไปอยู่ ท่านบอกว่านิพานนี้อยู่ฟากตายถ้ากลัวตายก็อย่าไปถ้าอยากจะไปนิพานนี้ต้องไม่กลัวตายไม่ต้องกัวโอดตายนักบวชที่เขาบวชไปถึงนิพานกันมีมากมายก่ายกองทั้งหญิงทั้งชายเขาไปกันได้ถ้าขอให้เป็นผู้มีเสียงบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีผู้ที่จะมาคอยขอร่วมบุญด้วยมีคนที่มีศรัทธาในบุคคลที่มีศีลบริสุทธิ์ในบุคคลที่มีการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ ม, มีผู้มีศรัทธาที่อยากจะร่วมบุญด้วยอยากจะสนับสนุนเพราะตัวเขาเองนั้นยังไม่มีความสามารถที่จะทำได้ อย่างน้อยก็ขอให้ได้ทำบุญทาทานกับบุคคลเหล่านี้งั้นถ้าเราต้องการที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ขอให้เรายึดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและการที่มีศีลบริสุทธิ์ของเราไว้เท่านั้นอันนี้แหละจะเป็นตัว๋วหรือเป็นเงินที่จะนำเอาปัจจัยสี่ที่เราต้องการมา ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหามันถ้าเขารู้ว่าเราเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ในสิ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีผู้ที่จะยินดีมาคอยสนับสนุนอย่าไปกังวลกับเรื่องที่จะต้องมาคอยสะสมเงินทองเพราะการไปหาเงินทองนี้ก็เป็นการเหมือนกับการเดินถอยหลังไม่ใช่เป็นการเดิน เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านี้ต้องสามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเป็นเครื่องสนับสนุสนเพราะถ้าไปเพึ่งเงินทองนี้มันก็จะทำให้ต้องมาทุกมากังวลอยู่เรื่อยๆแทนที่จะมาดับความทุกข์ก็กลับมาสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสมัยนี้ก็มีสำนัก ปฏิบัติทั้งของของผู้หญิงที่เขาสามารถไปอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองกันในปฏิบัติใช้ใช้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช้การรักษาสิงให้บริสุทธิ์นี้ก็มีผู้ที่จะมาสนับสนุนเรื่องปัจจัยสี่เหนือเฟืออันนี้สำหรับผู้ชายนี่มันก็ไปบวชเป็นพระได้ พระก็มีมปีประวัติที่ดีงามมาคนก็มีศรัทธากันเยอะแยะพอบวชพระนี่ปั๊บไปที่ไหนพอเห็นพระเดินเข้ามาตอนเช้าถือบาตรนี้เขาก็จะรีบหาอาหารมา ท, ทั้งทั้งที่ไม่เคยเดินผ่านมาก่อนเลยแต่พอเห็นพระมาตอนเช้านี่เขารู้แล้วว่าพระต้องต้องกินอาหารเขาก็ยินดีที่จะถกถนง ดูแลแเพราะการทุ่งเงินทองนี้มันก็จะกลายเป็นภาระที่จะมาขวางการบําเพ็ญนั่นเองจะบำเพ็ญไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้เพราะจะต้องมาพาวะผวาใจกับเรื่องทรัพสมบัติเท้าของเงินทองที่จะมาใช้กับการปฏิบัติมั้นพยายามอย่าไปพึ่งเงินทองพยายามไปแสวงหาสํานักปฏิบัติ ที่บางแห่งก็อยู่กับอยู่อยู่ในวัดมีครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นพระอาจารย์เป็นหัวหน้าท่านก็จะคอยดูแลผู้ที่ไปอยู่ในสำนักนั้นไม่ให้อดตายรับประกันได้อาหารที่ท่านได้มาบิณฑบาตส่วนที่เหลือท่านก็แบ่งให้กับผู้ที่เป็น เ, เป็นสุภาพสตรีนักปฏิบัติสุภาพสตรีได้ มีเรียรแยะเพียงแต่ว่าเราต้องขวนขวายต้องค้นหาให้เจอเท่านั้นถ้าเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องปัจจัยสี่แต่การจะไปอยู่ตามสำแหน่งเหล่านี้ได้นี่สิ่งที่เราจาเป็นจะต้องมีคุณสมบัติของเราต้องมีก็คือเราต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องเป็นแจ๋วอยู่แบบแจ๋วให้ได้ เพราะว่าไปแต่ละที่เขามีหัวหน้าเขามีเจ้าของที่เขามีท้องเราจะไปทําเป็นใหญ่เป็นโตนี่ไปอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราไปทําตัวเป็นแบบผู้น้อยผู้ที่ยินดีรับใช้รับฟังคำสั่งคำสอนนีไม่มีใครเขาลังเกียจข้อที่หนึ่งต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนข้อที่สองต้องมีความขยันหมั่นเพียร เพียนทั้งในการปฏิบัติธรรมของเราและเพียนทั้งทำหน้าที่การงานที่อาจจะต้องมีบ้างเพราะการอยู่ร่วมกันนี้ก็ต้องมีภาระที่จะต้องคอยช่วยเหลือกันภาระในโรงครัวบ้างภาระในการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่รักษาความสะอาดของสถานที่อันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทุกคนต้องทำกันไม่ว่าจะเป็นเป็นหญิงหรือเป็นชาย ความเพียรในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีความมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือต้องการเพียงพอต้องการนิดเดียวต้องการพอให้อยู่ได้ก็พอแล้วก็ไม่จู้จี้จุกจิกสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด ประธานที่ที่เขาจะจัดให้ให้อยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ไปอาหารจะได้อาหารอะไรมาก็รับประทานไปหน้าที่การงานที่เขามอบหมายให้ก็ทําไปยินดีไปถ้ามันไม่เหลือบาปฝ่าแรงถ้ามันไม่ได้เอาเวลาของการปฏิบัติไปจนหมดเนี่งานส่วนใหญ่ทางวัดก็มีแค่ช่วงเช้าเท่านั้นเองช่วงขบฉันหลังจากนั้นแล้วก็ ก็จะมีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เลาหมายของเรานี่เราพุ่งไปที่สถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติเอื้อต่อการภาวนาเอื้อต่อการเดินจงกรมเอื้อต่อการนั่งสมาธิแล้วถ้าเป็นไปได้มีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งคอยสอนด้วยยิ่งดีใญ่ครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมแล้ว คอยให้สติคอให้ปัญญาอันนี้ก็จะถือว่าครบสูตรในหาวัดอย่างนี้อยู่วัดก็ต้องเป็นที่วัดที่ไม่มีการก่อสร้างนอกจากมีความจาเป็นที่จะซ่อมสร้างที่พักอยู่อาศัยเป็นค้างเป็นค้างเป็นข่าวไปแต่ไม่มีโครงการก่อสร้างโบสถ์เจดีหรืออาคารอะไรใหญ่โตต่างๆเพราะมันจะ เป็นสาที่ที่ไม่สงบพุกพ้านด้วยคนก่อสร้างพุกพุ้กานด้วยเครื่องจักรต่างๆมันจะมาขัดขวางการบาเพ็ญเพื่อทำจิตใจให้สงบให้นิ่งเพื่อที่จิตใจจะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่หิวไม่โหยกับสิ่งต่างๆ<ม>นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการที่จะ ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากสถานที่ที่เราจะไปบาเพ็ญที่สงบที่วิเวกนี้มักจะอยู่ในฐานที่ที่มันห่างไกลความเจริญมันก็อาจจะมีความทุกข์บ้างความยากลำบากบ้างทางด้านร่างกายแต่มันกลับเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นปุ๋ยให้กำลังแก่จิตใจ อยู่ที่ไหนที่เจอความยากลำบากนี้มันจะทำให้ต้องใช้ความเพียรพยายามต่อสู้กับมันต้องใช้สติใช้ปัญญามันก็แทนที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจมันกลับเป็นเหมือนเป็นปุ๋ยให้กับจิตใจเป็นตัวกระตุ้นให้ใจเราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาในการที่เราจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ เพื่อระ ง, งับความความทุกข์ใจความวุ่นวายใจที่อาจจะเกิดจากเวลาที่ไปเจอความทุกข์ยากลำบากต่างๆความท้อแท้อะไรต่างๆนี้มันก็อาจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำจัดให้ได้ถ้าเราอยากจะอยู่และบำเพำ็ญธรรมคนที่จะไปปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกนี้ต้องเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่มีคุณสมบัติที่กล้าหาญ ไม่กลัวกับความทุกข์ยากลําบากแม้แต่ความตายก็ไม่กลัวเพราะในที่สุดความตายก็ไม่มีใครหนีพ้นแต่ขอให้ตายแบบหลุดพ้นจากความทุกข์ดีกว่าตายอยู่จมอยู่ในกองทุกข์ถ้าอยู่กับความสุขของราบยศเสริญของโลกธรรมนี้ก็เท่ากับฝังตัวเองให้ตายอยู่ในกองทุกข์ รามยศเสริญสุขที่นโยธรรมนี้ไม่ใช่เป็นกองสุขมันเป็นกองทุกข์แต่สำหรับคนที่ไม่ฉลาดนี้จะมองไม่เห็นอยากคิดว่าเป็นกองสุขกันแต่คนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันต์ตสาวกนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์กันท่านถึงหันหลังให้กับมันไม่เข้าไปหามันพยายามอยู่ห่างไกลจากมันให้ได้ยิ่งไกล ย, ยิ่งดี นักบำเพ็ญต่างๆจึงมักไปอยู่ตามป่าตามเขาที่อยู่ห่างไกลจากราบยสสศสารสนุขกันแต่มันก็ต้องไปเจอกับความทุกข์ยากลําบากในการกินอยู่เป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ถึงกับที่จะทําให้ตายไปครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นเนี่ท่านไปบําเพ็ญอยู่กับชาวป่าชาวเขาอยู่องค์เดียว ทุดดงไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ อ, อาศัยบิณฑบาตจากชาวเขาชาวเขาเขาก็จะมีอะไรกินเขาก็กินแบบชาวป่าชาวเขาไปเขาไม่ได้มีตลาดไม่มีร้านขายขายของอะไรขายอาหารเขาก็ต้องหาทํากินของเขาไปตามมีตามเกิดเขากินอะไรพ้าก็กินกับเขาไปเขาให้อะไรม า, าก็กินอย่างนั้นไปเขาให้มันดับความหิวได้ก็พออาหารนี่มี เราต้องเล็งถึงประโยชน์ของอาหารที่เราจะรับประทานว่าเรารับประทานเพื่อดับความหิวเท่านั้นเองแล้วก็รักษาให้ร่างกายมันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มันถึงแก่ความตายเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้มาบำเพ็ญมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเท่านั้นแหละคือเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยก็ทำเพลเพ็ินเพลิง เ, เอาเก่งไม้ใบ ไ, ไม้มาทาเป็นเพลิง ไป้หลบแดดหลบฝนส่วนใหญ่ก็จะมักจะไปอยู่ในในร่มของของในป่าแต่ห่างไกลจากหมู่บ้านที่ไปบินทบาไรอย่างน้อยต้องกิโลแล้วสองกิโ ล, ลเพื่อที่จะได้ไม่ได้มีใครมารบกวนตามลำพังทำทางเดินจงกลมไว้ทำแท้ไว้สำหรับนั่งแลวนอนแล้ ว, นนลวก็สมัยนี้ก็มีกรดไว้กลางีเป็น เป็นร่มแล้วก็มีมุ้งไว้คุมมุ้งคุมคุมคุมร่มอีกทีหนึ่งไว้ป้องกันยุงเวลานั่งสมาธิและเวลาหลับนอนน mm ั hmm. ่นแหละคือการบำเพ็ญของพระดงระกรรมฐานถ้าอยู่แบบนั้นจริงจร mm ิง hmm. ตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านมีเอาท่านมีของประจำตัวท่านก็คือกรดนี่ ท่านจะมีกฎมีมุ้งไปไม่ว่าไปแห่งหนตำบนใดท่านจะไม่กังวลกับเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้กลางกดปั๊บกลางร่มออกมาปั๊บเอามุ้งครอบออกมาอยู่ได้แล้วเป็นบ้านนะขอให้มีที่หลบแดดหลบฝนนะจะเป็นเพิงก็ได้เป็นเงื้อผาก็ได้เป็นถ้ำก็ได้สถานที่หลังนี้มันเอื้อต่อการบำเพ็ญเพราะมันเป็นที่สงบพิเวก การที่จะทําใจให้สงบได้นี่กายต้องสงบก่อนต้องวิเวกก่อนท่าเรียกว่ากายวิเวกแล้วถึงจะมีจิตวิเวกตามมาถ้ากายไม่วิเวกถ้ากายอยู่ห้อมล้อมด้วยแสงสีเสียงด้วยความวุ่นวายต่างๆใจนี้จะไม่สามารถที่จะสงบได้เลยเพราะแสงสีเสียงมันกระทึกคึกคน้นโคมมันคอยมาสร้างมาสร้างความสะเทือนใจ ซึงจะทำให้การที่จะใช้สติควบคุมใจให้มันนิ่งนี่มันทำได้ยากผู้บำเพ็ญจึงไม่ไม่บำเพ็ญอยู่ตามสถานที่ที่มีแสงสีเสียงมีรูปเสียงกลิ่นรสที่กระเคือกขุจะไปปีกวิเวกหาสถานที่ที่สงบสงัดมีแต่เสียงธรรมชาติเสียงลมพัดเสียงเสียงสัตว์ที่ร้องเสียงเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่ไปทา ไม่ไปสร้างความกระทบกระเทือนให้กับจิตใจไม่เหมือนกับเสียงของมนุษย์หรือเสียงของกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์ทำกันพอได้ยินเสียงเหล่านี้แล้วมันจะไปกระตุ้นกิเลสตัณหากระตุ้นกา ม, มะฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นใี้ปรากฏขึ้นมาจะทำให้การบาเพ็ญ น, นี้ไม่สามารถเป็นไปได้อย่างสะดวก เรียกว่าเป็นนิวรนกามาฉันทะนั่นเป็นนิวรนการเกิดกามฉันทะเกิดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดจากการที่ได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองถ้าไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสกามาฉันทะมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ยกเว้นว่าถึงแม้ไม่ได้สัมผัสด้วยรูปเสียงกลิ่นรสแต่ใจยังไปคิดถึงมันอยู่ถึงแม้จะอยู่ห่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ยังต้องคอยคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงมัน ถ้าไปคิดถึงมันมันก็จะสร้างกามาฉันทะขึ้นมาได้ผู้บาเพ็ญยังเห็นความสาคัญของการเจริญสติอยู่อย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องคอยคุมไม่ให้มันไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะให้ได้เพราะถ้ามันคิดแล้วมันเกิดความอยากเกิดกามาชันทะขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ทุกทรมานใจจนกระทั่งบางทีทนไม่ไหวก็ จ, จะต้อง หนีจากที่วิเวกไปหาที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็คือเรื่องของการบาเพ็ญเพื่อให้เราได้ละความอยากต่างๆให้ได้เพื่อให้ใจนี้ให้อยู่กับความว่างให้ได้อยู่กับสิ่งอยู่กับการไม่มีอะไรให้ได้แต่ตอนนี้ใจยังมีหิวโหยอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่จึงจาเป็นจะต้องใช้สติ ไว้คอยควบคุมต้องใช้สถานที่ที่สงบวิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ให้ใจไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการมาฉันทาขึ้นมาการมาฉันทาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพออยากแล้วใจมันจะกระวนกระวายกระซับกระสายจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ภาวนายัางไงก็ไม่สงบสงบไม่ได้ถ้าสติมีกาลังไม่พ อ, อจึงจาเป็นที่จะต้องพยายามฝึกสติให้มากให้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติคอยควบคอยควบคุมใจอย่าปล่อยให้ความคิดนี้คิดเรื่ อ, อยเปเพราะมันจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนี้เท่านั้นมันไม่ได้ไปคิดถึงอะไร พอคิดแล้วมันก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วพอเกิดความอยากการภาวนาก็ต้องล้มเหลวไปเพราะไม่มีกจิตกจ่ายที่ภาวนาพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็ต้องอาจจะต้องไปกระทำให้มันตอบสนองความอยากถ้าไปทำตามความอยากมันก็เท่ากับการไปเพิ่มกำลังให้กับความอยากให้มันมีกำลังมากขึ้น พอมันอยากแล้วเราไปทำตามความอยากตอนนี้แล้วพอทาเสร็จแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ตัวใหม่จะโผล่ขึ้นมาแรงกวตัวเก่ายิ่งทำตามความอยากมากเท่าไหร่ความอยากก็จะเพิ่มพูนกำลังมากขึ้นไปทั้งนั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดความอยากต่างๆวิธีจะกกำจัดก็ต้องหยุดมันให้ได้เบื้องต้นก็หยุดด้วยสติก่อน ฝึกสติให้มากๆคอยควบคุมไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไปคิดก็ให้มันคิดในทางกลับ<ม>ให้ไปคิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ไปอยากได้นี่มันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยมเป็นอนัตตา<ม>ควบคุมบังคับมันไม่ได้เมื่อควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็จะเกิดทําความทุกข์ใจขึ้นมาม ถ้าใช้สติถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่จะได้หยุดความอยากได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องใช้สติ<ม>สติสติที่จะดีที่สุด<ม>ในช่วงที่เกิดความอยากก็เคยใช้คำบิกรรมพุโทโธพุธโทโธพยายามพุโทโธพุธโทโธพุทโธสู้กับความอยากสู้กับความคิดที่อยากจะไปหา รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆสู้กับความคิดอย่าไปสนใจอย่าไปตามความคิดให้ตามพุโทโธพุโทโธอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปถ้าอยู่กติกับพุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวความคิดที่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหายไปแล้วหยุดไปพอมันหยุดไปความเครียดความวุ่นวายใจก็จะสงบตัวลงทันที ทำให้ใจนิ่งสงบเย็นมีความสุขขึ้นมาตอนนั้นแหละจะเห็นคุณค่าของการเจริญสติจะเห็นคุณค่าของการบริกรรมพุโทโธพุโทโธว่ามีคุณประโยชน์ต่อการระงับความเครียดระงับความทุ้งส์สั่นระงับความวุ่นวายใจต่างๆถ้าไม่เคยใช้เบื้องต้นจะสงสัยควาว่าพุโทโธคําเดียวมันทําอะไรได้เราพุโทโธตอนนี้ไม่เห็นมันมีอะไรเลย ก็มันยังพุโทโธไม่ไม่ถึงที่ของมันพุโทโธมันต้องพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทําหน้าที่ของมันได้ไม่ใช่ว่าพอพุทโธคำสองคาแล้วจะทําให้ใจสงบขึ้นมาทันทีนัน้นนั้นยังเป็นไปไม่ได้ต้องพุโทโธบางทีเป็นชั่วโมงเลยกว่าที่จะทําใจให้มันนิ่งให้มันสงบได้ขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อมัน่นในคําสั่งคําสอน ของพระพุทธเจ้าก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ดีที่เน้นเรื่องของการเจริญสติให้มากๆพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีธรรมอันใดที่จะมีความสำคัญเท่ากับสติทรงเปรียบสตินี้เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ในป่า สามารถครอบลอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของสติเป็นธรรมที่สําคัญถ้าไม่มีสติแล้วทำชนิดอื่นเช่นสมาธิเช่นปัญญาหรือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้นําทางต้องเป็นผู้เป็นสติเป็นผู้เบิกทางเป็นผู้ที่ คอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดแล้วก็ใช้ใช้ปัญญาให้ดึงความคิดนี้ไปคิดไปในทางปัญญาต่อไปถ้าไม่มีสติในปัญญาโดยลําพังยังไม่มีกําลังพอกําลังที่ท่านปัญญาที่ท่านได้มีกันตอนนี้เรียกว่าเป็นสุตตะมายาปัญญาหรือจินตะมายาปัญญาสุตตะก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง กินตาไมยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการเอาไปไข้ควรพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้นึงปัญญาสองระดับนี้ยังไม่สามารถที่จะไประงับความฟุง้งซ่านระงับความอยากได้ต้องอาศัยปัญญาที่มีสติกำกับคือสติคือสมาธิสติจะทำใจให้นิ่งสงบให้เป็น อุเบกขาเพราะใจเป็นสงบมีอุเบกขาแล้วใจก็จะมีกําลังที่จะใช้ปัญญาในการระ ง, งับความอยากต่างๆได้เมื่อเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นะั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นตายลักอนันนี้สติต้องมาก่อนถ้าไม่มีสตินี้เจริญสมาธิไม่ได้ไม่มีสมาธิถึงแม้จะมีปัญญาก็เป็นปัญญาที่ใช้ ใช้ระงับดับความทุกข์ไม่ได้ปัญญาที่เรามีกันตอนนี้ก็คือจินตามยะปัญญาแล้วก็บางทีจุดตามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหนัเสืสเป็นต้นแต่ถ้าอ่านแล้วไม่เอามาค่ายควรก็จะลืมได้สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังวันนี้วันนี้ถ้าไม่เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ลืมไปหมดเมื่อลืมไปหมดมันก็กลายเป็นสัญญาไปไม่ใช่เป็นปัญญา เวลาที่จะต้องการใช้ปัญญาก็ไม่รู้จะเอาปัญญามาจากที่ไหนงั้นเวลาที่เราได้ฟังแล้วเราต้องเอามาพิจารณาต่อเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลยเพื่อเวลาที่เราจะเอาปัญญานี้มาหยุดความอยากควบคู่กับการเจริญสติการเจริญสมาธิให้ใจมีความสงบมีอุเบกขาเมื่อใจเรามีความสงบมีอุเบกขาเราถึงจะเอาปัญญา ที่เราได้เจริญในจินตามยปัญญานี้มาใช้ควบคู่กันไปถ้ามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากได้ก็จะสามารถอยู่โดยอยู่กับความว่างได้อยู่กับกาไม่มีอะไรได้เพราะสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจไม่มีความสุขก็คือความอยากนี้เท่านั้นเองแล้วถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญา ที่สามารถระ ง, งับความอยากต่างๆได้พอความอยากต่างๆมันหายไปใจก็สงบเย็นสบายขึ้นมาเป็นธรรมชาติของใจใจที่ไม่มีความอยากนี้จะเป็นใจที่นิ่งสงบใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขอันนี้แหละคือการอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรราอยู่ได้ก็ต้องมีการปฏิบัติ ตั้งแต่ศีลขึ้นมาศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญาศีล ส, สติสมาธิแล้วก็ปัญญาพอได้ครบแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดใจก็จะนิ่งสงบเย็นสบายมีแต่ความสุขไปตลอดอันนี้แหละคืออา น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการที่เรา ได้เข้าหาบัณฑิตกันเข้าหานักบา่าทางพระพุทธศาสนาเข้าหาพระพุทธเจ้าโดยผ่านพระธรรมคําสอนในที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือเข้าหาพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนเรื่องราวของการดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีวิาจัยให้หมดสิ้นไปนี่ก็คือเรื่องของความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าท่านนําออกไปปฏิบัติ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 จันโทปนะระโสยถามณีโชติราโสยถาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคมีนาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีริสานิจังุทาปะจายโน จัตารธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook พระอาจารย์496 YouTube พระสุชาติไลฟ์311ยู u ูบด็อกเตอร์วีชาเอล72วิทยุออนไลน์8คลับเฮาส8หน้ากุฏิ34รวม929ค่ะถ้ามีอะไรก็ถามะไรไหมมีไหม คำถามจากคุณพนัสกับเรียนถามพระอาจารย์เวลาเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นได้รางวัลต่างๆสิ่งที่เราควรทำคือพิจารณาว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนและไม่ควรหลงละเริงกับมันผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องมันก็เป็นความสุขชั่วคราวถ้าเราไปยึดไปติดประยากเดี๋ยวคราวหน้าเราไม่ได้รางวัลเราก็จะเสียใจน ให้รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางเวลาสัมผัสโลกธรรมไม่ว่าจะเจริญหรือเสือ่อมก็ให้รู้ว่าเป็นหนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวดก็ออกเดี๋ยวก็มีคนให้รางวัลเราเดี๋ยวก็มีคนโยนขยะให้เราด่าเราบ้างอะไรไปบ้างเราห้ามเขาไม่ได้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้สันเสริญนินทามันเป็นของคู่กันถ้าไปยินดีแล้วมันจะเสียใจเวลาไปเจอของที่ตรงกันข้าม คำถามจากคุณอัชลากรับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะสัตว์เลี้ยงที่เราเก็บพวกเขามาเลี้ยงอย่างดีในชาติภพนี้เช่นหมาแมวพวพภูมิหน้าของพวกเขาจะมีโอกาสได้เกิดเป็นคนหรือไม่เจ้าคะ่ะสัตว์ทุกชนิดน่ยไม่ช้าก็เร็วก็จะได้มาเกิดเป็นคนเมื่อเมื่อผลบุญผลบาป ท, ที่ตนหนึ่งได้ทำไว้มันหมดกําลังลงมันก็จะมาเข้าคิวรอจะเกิดที่จะคิวจะเอาหรือสั้นก็อยู่ที่ว่า พ่อแม่ที่จะมาให้ร่างกายนี้มีมากมีน้อยอาจจะต้องรอหรือไม่แน่นะอาจจะมีโลกอื่นที่มีมนุษย์อยู่นอกจากโรกที่เราอยู่นี้ดาวดวงดาวมีตัง้งเยอะแยะ จ, จะมีดวงดาวที่มีโลกมนุษย์อยู่จิตของเราก็ก็สามารถไปได้ทัท่วจั ก, กรวาลไปได้ไม่ต้องใช้จรวดไปพะที่ไหนมีมีการตั้งคันจิตมันก็จะไปเหมือนมันถูกดูดไปเอง คำถามจากคุณดิมโป้วิญญาณในขันห้ากับจิตเป็นตัวเดียวกันลูกเข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าคะมันอยู่มันอยู่ในจิตเหมือนกับหัวใจอยู่ในร่างกายร่างกายนอกจากร่างกายที่เราเห็นนี้มันข้งในมันมีอะไรมันก็มีอวัยวะต่างๆมีปอดมีตับมีหัวใจใจที่เราเห็นมันผู้รู้เนี่มันก็เป็นใจดวงนี้งนั้นในดวงใจนี้ก็จะมีขันสี่ มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะลูกควรจะแก้ไขาอาการกายโยกเวลานั่งสมาธิอย่างไรเจ้าคะใช้สติอย่าไปสนใจให้มีสติอยู่กับพุทธโธแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะไม่มันจะไม่โยกถ้านั่งเฉยเฉยแล้วไม่มีสตินี่มันจะโยกคำถามหมดค่ะหมดแล้วนะ การนั่งสมาธินี้จาเป็นจะต้องมีสติคุมใจตลอดเวลาถ้าไม่มีสติคุม้วเดี๋ยวมันจะมีอาการแปลกๆโผล่ขึ้นมาให้เห็นกายโยกบ้างกายลอยบ้างกายขยายตัวขึ้นมากายหดบ้างซึ่งเป็นความรู้สึกที่มันหลอกเรางนั้นเราไม่ต้องไปสนใจถ้าเรามีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมนี่มันจะไม่มีอะไรมาหลอกเราได้ อย่กับพูดโธอย่างเดียวก็ได้อยู่กับลมอย่างเดียวก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ทั้งสองอย่างไม่ต้องพูทธเข้าโทออกถ้ามันยุ่งยากก็เอาอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเอาพุทโทพุทโทพุโทโธพุธโทพธโธไปอย่างนี้ก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวก็ได้เพราะบางทีเวลาบริกรรมบางทีมันต้องไปเร็วถ้ามไม่เร็วมันจะสู้กิเลสไม่ได้ถ้ามาคอยพูดเข้าโทออกเดี๋ยวกิเลสมันดึงไปคิดเรื่องอื่นหมดพอมันจะเดึงไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่อง เรื่องกายโยกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่สนใจกับเรื่องกายโยกนั้นบางทีพูดเข้าทอออกนี้มันอาจจะเหมาะบางการบางเวลาบางทบางทีก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาพุโทโธอย่างเดียวมันง่ายกว่าแล้วเราสามารถปรับความเร็วช้าของพุโทโธได้ถ้าใช้ลมหายใจนี้มันปรับไม่ได้มันต้องไปกับลม คำถามจากคุณพี โ, โกค่ะจิตโดนอารมณ์ครอบงาจะลืมไปว่าอารมณ์ไม่เที่ยงจะแก้ไขยอย่างไรให้รู้ว่าอารมณ์ไม่เที่ยงเอาสติกับมาก่อนไม่มีสติใจมันก็เลยผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้ามีสติแล้วมันจะไม่มไม่ผิดอารมณ์ขึ้นมาังั้นอย่าอย่าปฏิบัติโดยไม่มีสติถ้าไม่มีสตินี้ไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะกลายเป็นการปฏิบัตแบบิแบบแบบหลงทางคนที่ปฏิบัติแล้วหลงทางนี่เป็นบ้ากันก็เพราะไม่มีสติปฏิบัติปาทางว่ามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้าใจไปเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยยังต้องระวังทางนี้เป็นทางที่เราไม่เคยไปกัน ต้องแสวงหาผู้รู้กูบาอาจารย์สอนเพราะท่านผ่านมาแล้วท่านรู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมถ้าเราไม่มีผู้สอนนี่เจอของปลอมว่าที่ว่าเป็นของจริงไปแล้วก็จะหลงไปจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปนั่นต้องต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่กับปูบาอาจารย์ตลอดเวลาเพียงแต่ไปรับความรู้จากท่านแล้วก็ถึงเวลาก็วิเวกติดตัวไปอยู่ไปหาที่สงบปฏิบัติพอเกิดความไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็กลับมาฟังม า, มาศึกษาต่อเป็นตอนตอนไปไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่กับท่านตลอดเวลาบางทีอยู่ไปแล้วมันก็ติดกลายเป็นเด็กทาลกไปพออยู่กับท่านท่านคอยป้อนให้เรื่อยๆ พอไม่มีท่านแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเราต้องหัดไปพึ่งตนเองพึ่งปัญญาของเราเองจนกว่าจะถึงจุดที่เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เราค่อยไปขอขอบา ร, รมีจากท่านให้ท่านช่วยช่วยอธิบายช่วยแก้ปัญหา คำถามจากคุณวีนาความสุขความนิ่งในความสงบกับความสุขความนิ่งในทางโลกต่างกันไหมครับทางโลกไม่มีความนิ่งหรอกมันนิ่งก็นิ่งแบบนิ่งจากระดับที่มันวุ่นวายลงมาสู่น่ในระดับที่ไม่วุ่นวายท่านหนึ่งแต่มันยังไม่นิ่งเต็มที่มันความนิ่งในทางธรรมนี่มันดี ก, กว่าความนิ่งในทางโลกความนิ่งในทางโลกนี่มันก็ยังไม่นิ่ง แต่ว่ามันไม่ฟุ้งมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่วุ่นวายใจอะไรก็เรียกว่ามันนิ่งแต่ความนิ่งทางธรรมยีนี่มันไม่มีอะไรเลยมันว่างไปเลยมันหายไปหมดเลยมันนิ่งมันเย็นมันสบายมันเบามันเป็นความสุขที่ไม่เหมือนความสุขต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงหมดแล้วเห